นี่คือรายการธรรมะทางสถานีวิทยุครอบรครุขรข่าวสทวร f พ์เอฟเอระข้าพเจ้าพระมหาไพบูรณอะพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในแต่ละสัปดาห์นั้นก็จะนำเรื่องราวที่เป็น พุทธพจน์แต่เราต้องให้มาฟังแม่บทเพื่อนผู้ฟังนั้นได้คุ้นชินกับคำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นจริงๆท่านรัสท่านพูดบอกสอนไว้เป็นภาษาบาลีภาษาที่ใช้ในสมัยนั้นเขาเรียกว่าภาษามคตพอมาอยู่ในรูปของการเขียนบันทึกลงมาเพื่อที่จะรักษาคาสอนนั้นเขาก็เรียกว่าภาษาบาลี ผู้ที่มีความรู้ความสามารถท่านก็แปลจากภาษาบาลีตรงนั้นให้มาเป็นภาษาไทยให้เราสามารถอ่านทําความเข้าใจในเรื่องธรรมะได้ทำไมเราถึงจะต้องมาอ่านทําความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนี้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความทุกข์ลดน้อยลงมีความสุขมากขึ้นคนจน ก็มีความทุกข์ของคนจนคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขก็มีความทุกข์แบบที่คนมั่งมีสีสุขเขาจะมีกันเพราะฉะนั้นความทุกข์มันมาในทุกรูปแบบดีบ้างไม่ดีบ้างเราจะจัดการกับความทุกข์นี้ให้ใจของเรามีความสุขได้อย่างไรนั่นจึงจะต้องมาทําการศึกษาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งการศึกษาคำสอนตนัวนี้มันมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างท่านวังก็จริงๆธรรมะที่เป็นตัวบทเนี่ยท่านก็ได้บอกไว้สอนไว้แต่ธรรมะจริงๆแล้วมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในก้อนดินอยู่ในอาหารอยู่ในท้องฟ้าอยู่ในต้นไม้อยู่ในที่ที่เราไปอยู่ในที่ที่เรานอนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างถตบว่าเห็นด้วย ความเข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะไปหมดธรรมะเหล่านี้จะสามารถที่จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจของเราให้จิตใจของเรามีความรู้ความเห็นแจ้งดีมากขึ้นพอดีมากขึ้นแล้วจิตใจของเราก็สว่างมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทําให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบได้คำว่าความสิ้นทุกโดยชอบเนี่ยทุังก็ต้องอธิบายกันนิดนึงว่า มีความสิ้นทุกแบบไม่ชอบเท่าไหร่ก็มีเช่นแต่เรามีความเข้าใจว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี่มันคือทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าหมดความรู้สึกที่เป็นทุกข์แล้วเหลือแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเอออันนี้มันจะเป็นสุขอันนี้มันยังไม่สิ้นทุกโดยชอบเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีทุกข์ในลักษณะที่ว่าถ้าเราสูญเสียมันไปแล้ว มันจะมีความทุกข์ซึ่งมันมีความสุขอยู่อ่ะแต่มันมีทุกข์แอบแฝงและที่แน่ก็คือสุขวทนาเนี่ยมันไม่ได้จะเที่ยงแท้แน่นอนถาวรตลอดการมันก็จะมีเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปแตมันาจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสุขมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นสุขน้อยลงอี้尔สุขมากขึ้นมันก็สิ้นทุกข์แบบไม่โดยชอบ อีกตอนที่มันเปลี่ยนจากสุขเท่านี้เป็นสุขน้อยลงหรือเปลี่ยนจากสุขเท่านี้เป็นไม่สุขเลยกลับกลายเป็นทุกข์เนี่ยความทุกข์ตรงนี้มัน โ, โล่ขึ้นมานี่จึงเราไม่พูดว่าถ้าเราหมดทุกขเวทนาแต่ถ้ายังมีสุขเวทนาเหลืออยู่อันนี้มันยังไม่โดยชอบเราจะทําความสิ้นทุกขโดยชอบได้ก็มารู้ธรรมะ น, นั่นเองธรรมะทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังได้บอกได้สอนเอาไว้ โดยอาจารย์ของเราโดยคุณครูของเราโดยผู้บอกสอนของเราอาจารย์คุณครูหรือผู้บอกสอนนั้นก็คือศาสดานั่นเองศาสดาแปลว่าผู้สอนอาจจะเป็นอาจารย์คนไหนพิกสุรูปใดที่เขาบอกสอนเราในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอามาจากผู้สอนเดิมตรงนั้นดังเพราะฉะนั้นจริงๆผู้ที่บอกต่อคาสอนนั้นมานี่ ก็จะไม่เรียกว่าเป็นศาสดานะจะไม่เรียกว่าผู้สอนแต่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่บอกต่ออาจจะตั้งอยู่ในฐานะของอาจารย์คือผู้ที่เราเคารพนับถือมี h ิริอตตา ป, ปะที่เราตั้งไว้ในบุคคลผู้นี้นยกย่องคนนี้เป็นอาจารย์ได้ไม่มีปัญหาอาจารย์ผู้นี้ก็ไม่ได้คิดคำสอนขึ้นเองใ น, นสมัยปัจจุบันนี้นะอาจารย์ผู้นี้ก็เอาคาสอนมาจากผู้สอน อาจารย์ของท่านอีกทีหนึง่งอาจารย์ของท่านก็คําสอนมาจากอาจารย์ของท่านอีกทีหนึงเนี่ยเราไล่สื่อกันไปเนี่ยคาสอนต่างๆเหล่านี้จะมาจากผู้สอนคือสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เรากําลังพูดถึงในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะเรามีผู้สอนคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแต่เป็นคนแรกเริ่มเดิมทีสอนอยู่ตรงนั้นสอนอยู่ที่อินเดียสอนอยู่ในสมัยนั้นเมื่อสองพกว่าปีมาแล้ว สืบต่อสืบทอดคําสอนมาผู้บอกต่อรับคําสอนมาเป็นทอดทอดจนถึงสมัยเราเนี่ยก็นําธรรมะเหล่านี้มาให้เราได้รู้ได้เรียนได้ทําความเข้าใจมีความแจ่มใสแจ่มชัดกันไปตามลําดับผู้สอนนี้คือสมมาสัมพปติเจ้าเนี่ยท่านได้ปฐนิพันธ์ไปแล้วแต่ในเดือนวิสาข ค, คือเดือน6นี้เป็นเดือนที่ท่านปรินิพาน์ เมื่อสองปันกว่าปีมาแล้วในช่วงเดือน6นี้ก็พูดถึงคือเดือนพฤษภา่นี้แหละพระพุเจ้าก็ได้นำเรื่องทั้งการประสชุดการตรัสรู้และการปรินิพานมาให้ธรรมฟังได้ฟังกันวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยธรรมฟังเพราะว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานได้7วันและในวันนี้คือวันแรม8ดค่า อีู่ที่ว่าเราจะนับกันยังไงล่ะบางคนก็จะนับยนหน้ายนหลังแต่ก็จะประมาณวันสองวันนี้วันแรม8ดค่ํานี่เป็นวันที่มีการถวายเพลิงพระศพของพระพุทธเจ้าในพูดง่ายๆก็คือชาพนักกิจนั่นเองพูดง่ายๆลงไปอีกก็คือเผานั่นเองในเวันหลังจากพระพุทธเจ้าปฏินิพพานก็มีการถวายเพลิงก็คือช่วงนี้แหละแรม8ดค่า สัปดาห์นี้ได้นำเรื่องของการปฏิทินผ่านมาให้ทํามบฟังได้ฟังกันพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีความเลิ่มากขณะที่พระองค์อายุมาก80ดสิบปีเนี่ยความเฉียบแหลมความเฉียบคมความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวเนี่ยไม่มีไม่มีแต่บางคลอายุห0สิก็หลงหน้าลืมหลังเจ็ดสิบ ยิ่งแล้วไปเลยพูดคำก่อนคำหลังสลับกันพระพุทธเจ้านี่แปสิบแล้วแต่ยังไม่หลงสามารถตอบคำถามได้อย่างฉะฉานว่องไวเฉียบแหลมเนีถึงแม้ว่ากายเนือท่านบอกไว้ว่าอาจจะแบบมีอาการป่วยจนต้องหามกันไปแต่ว่าปัญญาเน่เฉียบแหลมเฉียบคมมากอันนี้หมายถึงเรื่องของจิตด้วยนะท่านบวชคือจิตมีความเฉียบแหลมเนี่ย ทำไหปัญญามันแจ่มใสแจ่มชัด น, นี้ก็คือบุญที่ท่านได้ทำมาจากการสะสมมาแต่เราอาจจะเห็นบางคนก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันนะในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีคนอายุ 80-90 เนี่ยแต่ยังพูดจาชัชานชัดเจนและจำเรื่องราวต่างๆในอดีตได้ไม่หลงไม่ลืมเออ น, นี้เขาก็มีการสะสมมามีการดูแลสุขภาพในปัจจุบันอย่างดีด้วยนั่จึงทำให มีผลเมียอนิสงส์งเป็นเช่นนั้นคือในช่วงปีสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยก็คือท่านปรินิพพานเดือนหกแต่ตั้งแต่เดือน6ของปีก่อนอายุขึ้น80ดสิบละเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เตรียมการเกิดขึ้นในช่วงประมาณ12เดือน18เดือนก่อนการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในตะวันตกมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างมากแต่ตั้งแต่ การจากไปของพระเจ้าเปรตที่โกศลนั้นก็อยู่ในช่วงนี้ท่านก็สวรรคตช่วงนี้แต่พระเจ้าเปรตที่โกศล เ, เคยตรัสบอกเอาไว้ว่าตัวพระองค์ก็อายุ80ตัวพระพุทธเจ้าก็อายุ80ต่างเป็นชาวโกศลเหมือนกันไล่ไปไล่ไปะมีในพระสูตรหนึ่งคือธรรมเจติยสูตรเนี่ยที่พระเจ้าเปรตที่โกศลมาพบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายออกจากวัดไปถูกแย่งชิงราชสมบัติ หนีไปเมืองราชเกื้ยังไม่ทันจะเข้าเมืองได้เพราะประตูปิดก่อนเนี่ยก่อสวรรคตที่นั่นอันนี้ก็มีรายละเอียดบอกไว้ก็อยู่ในช่วง12เดือนนี้18เดือนนี้มีการปรินิพานของท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะในซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วอัครสาวกสองรูปนี้จะต้องปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าแต่นนี้ที่ว่าเป็นปกติเนี่ย จะเป็นเรื่องที่ต้องชงมาอย่างนั้นท่านฟังเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีอัครสาวกสองรูปอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการยกย่องโดยหมู่ภิกษุว่าโอให้องค์นี้เป็นผู้บริหารงานคณะสงฆ์ต่อไปรับสืบทอดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นค่านิยมอย่างนั้นไปที่จะต้องมีผู้สืบทอดสืบต่อแต่แต่การที่ท่านเหล่านั้นไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว แล้วก็สั่งการไว้ว่าให้เอาธรรมะเอาวินัยเป็นผู้สืบต่อเป็นศาสดาแทนพระองค์แล้วก็เป็นลักษณะนี้แล้ในช่วงสิบสองเดือนนั้นก็มีการจากไปของเจ้ารัที่หนึ่งชื่อว่านิครนนาตรบุตรนิครนนาตรบุตรเนี่ยเป็นเจ้ารัธิี่ที่มีใดทางศาสนาเชนแต่พอเขาจากไปคือตายไปมรณาภาพไปเนี่ยเราสาวกก็แตกกัน ในเรื่องคําสอนบ้างในเรื่องข้อวัดปฏิบัติบ้บางแต่กันทั้งพวกที่เป็นนักบวชพวกที่เป็นวาโุบาสิกาผู้สนับสนุนแต่กันเป็นเรื่องราวใหญ่หลวงเลยนจุนทะสามเณรเนี่ยนำข่าวเรื่องนี้มาบอกกับท่านพระอา น, นุนทั้งสองท่านนี้จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าในรายงานเรื่องนี้ให้ทราบ พ, พระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายถึงความที่ศาสนาคือคําสอนของพระองค์เนี่ย จะตั้งอยู่ได้นาน น, านี้ข้อมูลนี้มีมาในภาษาที่กสูตรแต่ที่จะตั้งอยู่ได้นานเนี่ยก็เพราะว่าตัวผู้สอ น, นเป็นสัมมาสัมพุทธะคาสอนที่บอกมานั้นก็แหมประกาศไว้อย่างดีจริงๆเป็นสวากขาตาธรรมผู้ที่ปฏิบัติรับคําสอนนั้นไปแม่ก็ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบจริงๆในเป็นสุ ป, ปฏิปนโญจริงๆเนี่ยคือถ้ามีพุทธโธธรรมโมสังโฆอยู่แล้ว สังก์โค น, นี้ไม่ใช่มีเฉพาะนักบวชที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีทั้งนักบวชผู้ชายนักบวชผู้หญิงมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ประพฤติปรมาจั์มีทั้งอุบาสกอุบาสิก า, ท, ท, ท, า, า, กาที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเรื่องของความเป็นกรวาสยังต้องครองเรือนอยู่แล้วก็มีกันเป็นขั้นเป็นขั้นไปแต่มีพุทโทธธรมโมสังโคอยู่อย่างเงี้ยถ้ารักษาไปอย่างนี้ได้เนี่ยศาสนานี้เจริมแน่นอน เราก็ยังตรัสถึงการที่ให้มีการสังคายนาเอาธรรมะเอาวินยัยโดยอาาัตตาและโดยเพยียรชนะมาทบทวนให้สอดรับตรงกันแล้วก็ท่องจำกันเอาไว้รักษากันให้ดีอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆในที่เป็นสาวกเนี่ยท่านก็รักษาคาสอนนี้อย่างดีนะทำให้สมัยนี้เราจึงยังมี คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลงเหลืออยู่ให้เราได้ศึกษาอยู่อยากเป็นชั้นของข้อมูลให้เราเห็นส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระสูตรเป็นพระไตรปิฎกก็มีส่วนที่เป็นคำอธิบายที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นอัตตกะตาอันนี้ก็มีมีการแยกชั้นของข้อมูลออกอย่างนี้แนี่แสดงถึงความที่เหล่าสาวกในรุ่นก่อนๆเนี่ยท่านปฏิบัติกันมาอย่างดีตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว ในพัญษาสุดท้ายนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้จําพัรษาที่บ้านเวรุวะคามและก็อยู่ในบริเวณเมืองเวสาลีนั่นแหละในช่วงเดือน8ปดแปดเก้าสเอ็ดเป็นช่วงฤดูฝนตรงนั้นก็จําพรรษาที่นั่นในพรรษานั้นพระองค์ก็ป่วยหนักสมหังป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารแล้วพอออกพรรษาแล้วก็ยังอยู่ที่ บริเวณเมืองเวสาลีอยู่เน็ตบอกชอนภิกษุอะไรไปต่างๆจนกระทั่งถึงเดือนมาคะคือเดือนสนี่ยนั่นคือเดือนที่ท่านปรงอายุสังขารการปรงอายุสังขารเนี่ยในช่วงของเดือนมาคะเพราะฉะนั้นในวันมาฆบูชาทุกๆปีอ่ที่เขามักจะพูดกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะมีการประชุมสงฆ์ที่เมืองราชกฤตจริงๆแล้วก็เป็นวันเดียวกันนะแต่คนละปี ใน45ปีถัดมาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าลงอายุสังขารที่เมืองเวสาลีในบริเวณปาวาราเจดีในเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเล่ามานี้ได้นําพุทธพจน์มาให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วในรายละเอียดก็ดีได้ให้ฟังเมื่อวานนี้ในช่วงของฟังธทำคําพุทธแะแต่วันนี้ก็จึงมาสรุปบางเรื่องบางประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในพระสูตรนั้นในส่วนที่น่าสนใจ ในเรื่องของการปรินิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เขาระบุไว้เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมหาปรินิพานสูตรที่อยู่ในทีกานิยายในเรื่องนี้ชงมาตั้งแต่เป็นหลายๆเดือนคือเป็นปีละก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานรายละเอียดต่างๆอะไรส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพระสูตรนี้นะไปที่ไหนบ้างพูดคุยกับใครสอนเรื่องอะไรแล้วไปไหนต่อเนี่ยเราจะเห็นว่าการดาเนินไปของพระพุทธเจ้า ในช่วงปีสุดท้ายเนี่ยตมวังแหมแบบเข้มข้นแต่ก็ว่าเข้มข้นเนี่ยคือหมายความาไปเที่ยวบอกสอนคนนั้นคนนี้ในต้นทั้งที่เป็นคนเท่าแล้วตมวังก็ดูอายุ80เนี่ยไปกับท่านพระอนุลสององค์พระอนุลก็อายุ80ด่ยแก่ทั้งคู่เอาพูดง่ายๆท่านพระอนลยังทักว่าพระพุทธเจ้านี่ก็หลังค้อมแล้วแต่มีตัวค้อมไปข้างหน้าแล้วท่านพระอนุลก็คงไม่ต่างกันมากเพราะวอายุเท่ากัน ถ้านผฟังลองคิดดูนะคนเท่าสองคนเดินหลังข้อมนิดนึงไปด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกสอนภิกษุบ้างบอกสอนก็ฤๅษดบ้างแม่เป็นภาพที่แบบว่ายังทำงานกันอยู่เต็มที่วังอนแต่นะพอในพัญษาสุดท้ายมีอาการป่วยตัดมาปรงอายุสังขารเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ข่าวแพร่กระจายไปแลาวท่านผฟัง โอ้ยพระพุทธเจ้าจะบริญนิพานธ์พระพุทธเจ้าจะบริญนิ พ, พันธ์พวกที่ยังมีราคาไม่ไปประหลาดก็คือยังละราคาไม่ได้เนี่ยก็โอ้ยทําไงดีทําไงดีในพระพุทธเจ้าจะปริญนิพันธ์แล้วพวกที่ละราคาได้แล้วมีราคาไปประาดแล้วก็สงบสติอารมณ์เรู้จักสำรวมอินทรีย์มีความสลดสังเวกเกิดขึ้นนำมรดกต่างๆท่านทิ้งไว้ให้แล้วแต่บุหวังพระพุทธเจ้าของเรา ทิ้งเรื่องของธรรมะที่จะเป็นประโยชน์แก่มหาชนอย่างมากเลยเนี่ยคือเรื่องของโพธิปักกียธรรม37อย่างไล่มาตั้งแต่สติปัฏฐานสสมปทาน4อิทธิบาท4อิน 5, รี่ห้ะละหโพธชงเจและอริยมัติมีองค์8อันนี้เป็นมรดกธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทิ้งไว้ให้เรา แลพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปตามลําดับนะไปสู่สวนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอัมพลาทิกะซึ่งสวนแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นที่ที่เคยเทศบอกสอนท่านพระราหุลนะเ อ, อาแต่กล่าวถึงท่านพระราหุลแล้วก็เป็นอีกสาวกอีกองค์หนึ่งที่ปฏินิพพานไปแล้วเหมือนกันแต่คือลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านเอามาบวช ด, ด้วยนี่นะคือพระราหุลเนี่ยพระราหุล น, นี่ก็บวชตั้งแต่เป็นเด็ก ให้ด่นพระสารีบุตรเป็นอุปชาบุตรให้พอเป็นวัยรุ่นเริ่มที่จะพูดคนองขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยมาสอนท่านเนี่ยอยู่ที่สวนอัมพลาที่กา น, นี่แหละพอท่านจเจริญวัยขึ้นอายุยี่สิบปีเป็นพระหนุ่มแล้วน่ยก็ไปสอนเรื่องให้เห็นความเป็นอนัตตาหลังจากนั้นไม่นานท่านพระราหุลก็ปรินิพานน่ยไม่ได้อยู่เลยต่อมาและนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่ชงมาแล้วเหมือนกันพระวจนะท่าน พระราหุนอยู่เดี๋ยวก็จะมีสาวกบางคนพูดขึ้นมาอ้อนี่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้สืบทอดปกครองคณะสงฆ์ต่อไปเน่ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะว่าไว้อย่างไงแต่ว่าคนนี้ยังอยู่ก็เอาคนนี้แหละอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าไม่มีท่านพระราหุนเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นลักษณะอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะเป็นแบบนี้และลูกของท่านถ้ามาบวช ด, ด้วยก็จะปรินิพานก่อน เม่ อ, อยู่ในเมืองไวยสาลีพอสมควรแล้วแราก็เดินทางต่อไปเมืองกุสินาราในระหว่างทางไปเมืองกุสินารานั้นในช่วงวันสุดท้ายก่อนการปฏินิพพานเนี่ยก็ไปที่สวนมะม่วงของนายจุนทัด ก, กมรรบุตรซึ่งอยู่นอกเมืองกุสินาราไปสักหน่อยหนึ่งสวนมะม่วงของนายจุนทัดนี้พระพุทธเจ้าก็ไปพักอยู่ที่นั่นคืนหนึ่ง แล้วก็รับพัะธ า, ขานของนายจุนทะัะนั่นคือวัน14บสี่ค่ำในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือหนึ่งวันก่อนวันปรินิพพานเนี่ยก็ไปรับประธานของนายจุนทะมีอาหารเมนูหนึ่งชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสุกรามัถวะสุกรามัถวะนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ออกมาถวายพระองค์แต่สุกรามัถวะนี้คืออะไรแล้วก็จะมีนักวิชาการเขาก็วิเคราะห์กันไปหลายอย่างนับบูฟังเพราะว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้า แต่ในทางคาสอนของคริสตศาสนาเนี่ยเขาก็จะมี the last supper ก็คืออาหารมื้อสุดท้ายของเจสัสครสต์ก็เลยเป็นเรื่องที่ให้นักวิชาการทั้งฝรั่งทั้งไทยล่ะมาวิเคราะห์กันว่ามันคืออะไรมันคืออะไรที่ทําไม่พระพุทธเจ้าปฏิญิพานแตบางคนก็ว่าเป็นสุกรชนิดหนึ่งบางคนก็บอกเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่สุกรชอบกินบางคนก็ว่าเป็นชื่อของผักอย่างหนึ่งก็มีความเห็นกันไปทางการรัปปะชาก็เคยได้ยินม า, นาจาก ภิกษุที่เป็นนักศึกษาที่ไปศึกษาที่ประเทศอินเดียเนี่แหละท่านเคยทําวิจัยในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่บอกถึงว่ามันจะมีเห็ดอยู่ประเภทหนึ่งแต่ที่จะเกิดขึ้นตอนช่วงต้นฤ ด, ดูฝนแล้วก็หมูเนี่ยจะชอบมากินเห็ดประเภทนี้แต่ว่าเห็ดประเภทนี้ในช่วงต้นฤ ด, ดูฝนเนี่ยจะมีฤทธิ์ที่เป็นพิษอยู่สําหรับมนุษย์ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์จะไม่เหมือนกับสุกร พอเอามากินในช่วงต้นของฤดูฝนเนี่ยจะเป็นพิษต้องให้ฝนเนี่ยมันตกไปสักระยะหนึ่งก่อนในช่วงกลางฤดูฝนเนี่ยถึงจะเอาเห็ดประเภทนี้มากินได้แต่ซึ่งเดือนหกนั้นก็คือเป็นช่วงต้นฤดูฝนนั่นเองแต่ฝนก็เริ่มตกแล้วในเห็ดประเภทนี้ก็ขึ้นมาซึ่งมันอาจจะยังมีลักษณะเป็นพิษอยู่แต่ทําไมพระพุทธเจ้าบอกว่าเอามาให้พระองค์ฉันคนเดียวอย่าให้พี่อุสุรูปอื่นเอาไปฉัน ในทีนี้พอฉันแล้วก็ป่วยหนักที่นี้ป่วยด้วยโรคเดิมนั่นแหละโรคลงโลหิตโรคโลงโลหิตนี่ก็คือถ่ายออกมาเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดเนี่ยพอระบบท้องระบบไส้มันอ่อนเนี่ยท่านผฟังเรียวแรงมันก็อ่อนลงไปแต่แต่ทั้งที่อ่อนออนนั่นแหละก็เดินทางต่อแต่เดินทางต่อ น, นี่นไปที่เมืองกุสินาระในระหว่างทางไปนี่ก็นั่งแวะพักตลอดแในมีจุดพักอยู่จุดหนึ่งก็มีนายปุกุสะ กมารบุตรนะปุกุษะนี่ก็เป็นคนแข็งแรงมากเมื่อก่อนเป็นนักมวยปล้ำแล้วก็ผ่านมาเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยเข้ามาพูดคุยธรรมะแล้วก็ถวายผ้าเนื้อดีสองผืนนั่นคือในช่วงเย็นนั่นนะช่วงเย็นละเดินทางมาตั้งแต่เช้าจากบ้านของนายจุนทะเดินทางมาพักมาตลอดทางช่วงเย็นก่อนที่จะเข้าเมืองกุศินาราเนี่ยก็ได้รับผ้าผืนใหม่ ตนนั้นผิวพันธุ์ของพระองค์เริ่มผ่องใสละเพราะว่าการปริทินจะเริ่มมีขึ้นละอันนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่จะมีผิวพันธุ์สดใสผ่องใสในการสองครั้งคือในราตรีที่จะตรัสรู้กับในราตรีที่จะปริทินิพันแต่คืนสุขดิบนั่นแหละคืนสุขดิบก่อนการตรัสรู้คืนสุขดิบก่อนการปริทินิพานเดินทางต่อไปข้ามแม่นม้ํากะกุท่านที เป็นน้ำที่พระพุทธเจ้าก็ส่งน้ำแต่ทนะ่านผู้ฟังลองคิดดูนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่พิเศษตรงที่ว่ารู้วันที่ตัวเองจะปรมทิพย์นิพพานเนะื้อรู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนแล้ววันที่ตัวเองจะปรมิพยนิพพานจะจากไปเนี่ยก็ห่มผ้าผืนใหม่นะอาบน้ําใหม่กินข้าวเรียบร้อยแม่อะไรมันจะเรียบร้อยดีงามขนาดนี้แตนะ่ถ้าพูดถึงว่าคนตายแล้วเนี่ยนะแล้วศพไม่สวยใช่ไหม แต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาต้องมาแต่งมาจัดมาทําแต่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องเลยจะมาหวังแต่คือแต่งเรียบร้อยแล้วผ้าผื้นหม่แล้วอาบน้ําเรียบร้อยแล้วไม่ต้องให้คนมาล้างหน้าเช็ดหน้าอะไรอีกแล้วก็กินข้าวอิ่มแล้วด้วยเดินทางมาเนี่ยตามลําดับนี้มาแต่มีความสวยงามตรงนี้มีความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยมันจึงพิเศษกว่าเขาตรงนี้แต่พอข้าไม่น้ํากับกูท่านาทีอาบน้ําเรียบร้อยนั่งพักมาตลอดทาง เดินไประยะหนึ่งก็นั่งพักทีหนึ่งนังพักทีหนึ่งก็บอกสอนสั่งการท่านพระอ น, นุนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้แต่เกี่ยวกับนายจุนทะอย่างไรหลังจากนั้นก็เข้าสู่เขตเมืองกุสินาราละข้ามแม่น้ําหิรันยวดีตรงนั้นแต่ไปที่สวนป่าสาละมันเป็นที่แวะพักของพวกมารักษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาระทั้ฟังตรงนี้แหละจึงตรัสให้ท่านพระอ น, นุนตั้งเตียงปรินิพาน เป็นเตียงที่พระองค์กะไว้ว่าถ้านอนไปแล้วเนี่ยจะไม่ลุกขึ้นจากเตียงนี้แล้วก็เมื่อนอนไปแล้วนอนประทับศรีษะสอยาไปโดยตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกเนี่ยก็มีอัศจรรย์มาฝังดอกสาระที่อยู่ต้นสาละเนี่ยอยู่ก็ผลิดอกออกมาแล้วก็มีเสียงด น, นตรีที่เป็นไม่รู้มาจากไหนแต่เป็นเหมือนกับเสียงด น, นตรีทิพนี่แหละบรนเลงขึ้นมีกลิ่นหอมควันของจุนไม้หอม มีดอกมณฑารพซึ่งเป็นดอกไม้ทิพย์เนี่ยตกลงวันนี้ก็เป็นเทวดาชั้นเดาดึงเขาจัดมาเพื่อที่จะมาบูชาพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็อาศัยเหตุนี้่บอกสอนท่านพระนนท์ว่าอันนี้ยังไม่ชื่อว่าการบูชาที่สูงสุดนะต่อให้บูชาด้วยดอกไม้กลองหอมเรื่องรูปไล่รูปทายอย่างนี้ก็ตามนะ่เป็นอามิสบูชาแต่ว่าการปฏิบัติบูบชานี่จึงเป็นสุดยอดที่เรียกว่า ประตต า, าคตเนี่ยจะได้รับการบูชาอย่างสูงสุดอย่างที่เราไปปฏิบัติตามเนี่ยธรรมบังปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ทําเถอะแต่ถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่เราไปปฏิบัตินั้นนาะเรียต่างๆในช่วงของการปฏิญิพานแต่ตนก็ได้ตรัสไว้ว่าไว้ในช่วงเวลานั้นก็เทศบอกสอนตลอดธรรมบังฑ์แต่พระนอ น, นุลถามถึงเรื่องว่าจะปฏิบัติในมาตุ ค, คามคือหญิงชาวบ้านอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกสอนไว้ เอาแล้วถ้าภิกษุต่างๆมาแล้วข้าพระองค์ไม่เจอจะทํำยังไงพระบริจ้าก็บอกถึงสังเวชนียสถานศีเอาไว้อาแล้วทำไมพระองค์จึงต้องมาปฏิทินิพันธ์ที่นี่ที่นี้มันไม่ดีมันเป็นเมืองเล็กพระบริจาก็บอกสอนถึงความที่เมืองกุศินารานี้เคยเป็นราชธานีของพระเจ้าจักรพรรดิไว้อย่างไรตัวพระองค์นี่ก็เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นน่เคยฟังอยู่ที่ตรงนี้แหละตอนนี้จะเป็นการทอดทิ้งร่างของพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายณที่นี้แล้วก็ยังถามต่ออีกว่าเอาแล้วจะ จัดการบูชาศรีระของพระองค์อย่างไรหลังจากที่ปรินิพานไปแล้วเราก็สั่งการเอาไว้ว่าให้ทําเหมือนอย่างกับของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ให้ทําสตูเป็นที่ระลึกไว้ให้แล้วก็ยังจัดสุภัตถปริพาชกในที่มาก่อพบพระพุทธเจ้าในยามสุดท้ายเนี่ยให้มาพบด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกสอนกันแล้วก็ถามภิกษุตั้งหลายในที่นั้นตะบูฟังบอกว่าเอาใครยังมีความเกลืออแกลงเห็นแย้งในพระพุทธปรธ ร, รมพระสงค์ ในมักในข้อปฏิบัติหรือไม่ในะให้ถามเสียแตนะ่ซึ่งถามอยู่ที่เนี้ยสามรอบแต่ไม่มีใครถามถ้าเผื่อว่าไม่กล้าถามเองฝากคนอื่นถามก็ได้นะเป็นอีกสามรอบเป็นหรอบก็ยังไม่มีใครถามนะัรนแว่าทุกคนในที่นั้นเป็นโซดาวันกันหมดนะนะพอสิ้นสุดตรงนี้แล้วก็หลับตาลงทำบ่งเวลาก็จวนเจียนละใกล้รุ่งละก็เข้าฌานสมาธิจากชานหนึ่งไปฌานสอง จากชานสองไปชานสามขึ้นไปจนถึงขั้นสัญญาเวทายตานิโรธนะออกมาไล่ลงมาตามลําดับนะกลับขึ้นไปใหม่จนกระทั่งถึงชานสี่ตรงเนี้ก็ปรินิพานนะนี่เป็นท่านพระอนุรุทธนะตามบอกอยู่ตลอดท่านพระอนุนิน พ, พาหลับตาแล้วกก็ระซบถามววายังปรินิพานแล้วยั ง, ยงนะท่านพระอนุรุทธะก็รายงานให้ทราบว่าเขาชานนี้อยู่เขาชานนี้อยู่ไล่ไปไล่ไป ะพอปรินิพานบุมทับฟังวุ้ยน่าเสียใจมากแต่เป็นดินไว้มีบรรยากาศแบบน่าขนพองสยองกล้ามานะกแต่บุคคลที่อยู่ในภายหลังก็โปรงสังเวชกันทับฟังแต่นะความที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปเปนะมีการสูญเสียอันใหญ่หลวงของมวลมนุษยชาติข้าพเจ้ามาคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองพันกว่าปีก่อนนี้ ยังมีความรู้สึกว่าเรานี่เกิดชา้านักทำไมไม่ได้เกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่หรือทำไมพระพุทธเจ้าถึงด่วนป ร, รินิพพานไปเร็วนะักทำไมถึงไม่ได้ยังอยู่ตอนนี้ให้เราได้เห็นให้เราได้ชมอาจจะไม่ได้ถามอะไรละ่ะแม้แต่ได้เห็นนี่มันก็ยังจะดีอย่างไรก็ตามท่านฟังถึงแม้ตัวของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่แล้ว แต่คําสอนคําสอนที่เปรียบเหมือนเป็นศาสดานั้นก็ยังมีอยู่ยังคงอยู่ถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีจิตตั้งมั่นในพุทธานุสติอย่างนี้แล้วเนี่ยให้ทําบูชาท่านจ้ะด้วยการปฏิบัติน้าธรรมะน้ามรดกที่ท่านได้ทิ้งไว้ให้เนี่ยมาทํามาปฏิบัติให้เราเป็นธรรมตายาตเป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมอย่าเป็นคนสุดท้ายให้เราสืบต่อสืบทอดคําสอนนี้ให้ดี โดยการปฏิบัติให้ดีโดยการที่รักษาคำสอนนี้ให้อยู่ในใจบริกตามที่เรารักษาคำสอนนี้ให้อยู่ในใจได้เนมีธรรมโมอยู่ในใจเกิดจากการปฏิบัติเป็นสังโคของเราอยู่ในใจแล้วพุทโทธธรรมวังก็อยู่ในใจของเราด้วยพระพุทธเจ้าถึงแม้จะจากเราไปนานแล้วแต่จิตที่มีพุทโทธธรรมโมสังโคอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเราอยู่ใกล้ทันนั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไปบุญอภีปุลโน วันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริมปอน